ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยสังคหะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการั จ, จนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สาิบสองครุกาปัติวุ ธ, ธาณนะวินิชยกถา ก, ากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบ ต, ต่อ สำหรับผู้ที่อยู่ปริวาสเพื่ออาบัตที่ปกปิดไว้แล้วก็ในระหว่างที่อยู่ปริวาสไม่ได้เก็จวัดต้องอาบัตในระหว่างอีกก็คือต้ อ, อบัตสำคัญที่เศษเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดเมื่อไม่ได้ปกปิดอยู่ปริวาสต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องอับบัสำคัญที่เศษเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะต้องขอมู ล, ลายนะปฏิการนาก็คือการชักเข้าห า, าบัตเดิมสําหรับ อันตราบัตรที่ไม่ได้ปกปิดไว้นันก็คือขอมุญยะปฏิกัณนาใหม่ต้องเลิกล้มการอยู่ปริวาสที่ได้อยู่มาแล้วคำขอปริวาสก็ได้กล่าวคำขออย่างนี้ว่าขอสามครั้งนะอหังพันเตสัมบบุลาอาปติโยอาปชัชเงปะคาปติช น, นาโย โซฮัสังขังสัมบบุลลานางอาปาตินางปักขาปติชั่นานางปักขาปริวาสัมยาจงตานสเมสังโขสัมบบุลลานางอาปาตินางปักขาปติชั่นานางปักขาปริวาสัมอาดาศิโซฮัปริวาสัมโตอัตระสัมบบุลลาอาปาติโยอาปาจิงอาปติชันนายโซฮัพันเตสังขังอัตระสัมบบุลลานางอาปาตินางอิชัานง บูลายปฏิการนางยาจามิก็ขอสามครั้งเมื่อขอสามครั้งแล้วส่งก็ให้กรรมาวาจาบูลายะปฏิการนาเพื่ออันตราบับที่ไม่ได้ปกปิดไว้ที่ถึผู้ชราผู้สามารถก็สวดกรรมาวาจาสุนทรโตเมพันเดสังโคนยติครั้งหนึ่งอนุสาวรีสามครั้งแล้วก็สรุปตอนท้ายว่า ปฏิการติโตสังเขนิทัณนนโมบิคุอันตราสังบูลานังอภัตตินังอปัตติชนานานังมูลายาปฏิการสนานคัมภีรสร้างข้าซาตัสาาตมาตุนีเอวะเมตังธารยามิพิสุผู้ถูกชักเข้าหาอาบัริเดิมอย่างนี้แล้วพึงอยู่ปริวาต์ตั้งแต่ต้นอีกเมื่อจะอยู่ปริวาต์ก็พึงบอกวัดอย่างนี้บอกว่า อาหัง n ันเตสามบาหุลาอาปาติโยอาปาชิงปะคาปตะชันนายโยโซหังสังหังสมบาหุลานางอาปาตินางปะคาปตะชันนานางปะคาปริวาสังยาจิงตาสเมสังโคสามบาหุลานางอปตินางปะคาปตะชันนานางปคาปริวาสังอาดาสีโซหังปริวาสังโตอันตระสามบาหุลาอาปาติโยอาปาชิงอาปตะชันนายโ โซฮังสังขังอันตรายสัมบัณรานังอภัตตินังอภัติ a นนังมูลายาภัิการตนามยาจิงตั้งมังสังโคอันตรายสัมบ n g รานังอภัตตินังอภัติชนนังมูลายาภัิการศโซฮ a ปริวาซามีเวนิยาห์มหังพันเตเวนิยาติติมังสังโคทาเบตุอะีรก็บอกปริวาแล้วก็อยู่ปริวาไป เมื่ออยู่ปริวาติเรียบร้อยแล้วก็ขอมานัดขอมานัดสามครั้งแล้วเมื่อขอมานัดนะครับสงก็ให้มานัดโดยที่สุผู้ชราผู้สามะก็ให้มานัดสาหรับบุคคลที่ต้องอาบปกปิดไว้หนึ่งตักสิบห้าวันในระหว่างที่อยู่ปริวัตินั้นก็ต้องอาบสำคัญพิเศษเพิ่มแต่ว่าไม่ได้ปกปิดไว้เพราะฉะนั้นก็ขอบูลายะปฏิกัรนาแล้วก็อยู่ ปริว่าอีกสิบห้าวันคือปักหนึ่งนั่นแหละเมื่อเรียบร้อยแล้วขอมาณฑ์เรียบร้อยแล้วนี่ก็ส่งก็ให้มาณั์เสร็จแล้วเมื่อให้มาณั์แล้วในเวลาจบกรรมบวาจากิจทั้งปวงมีการสมาทานมาณั์เป็นต้นก็มีในายนงกล่าวแล้วก็คือต้องสมาทานมาณั์มาณั์ตังสมานิยามิวัดตังสมานิยามิแล้วก็ประพฤติมาณั์ไปแต่ว่าพอ สมาทานวัดแล้วก็บอกวัดคำบอกวัดก็แต่งตามกรรมวาจาที่พระมินายทรแต่งให้เมื่อบอกวัดเสร็จแล้วก็อยู่ประพฤติวัดไปถ้าจะเก็บก็เก็บไปแล้วก็ไปอยู่ประพฤติมานั้ที่วัดของตนเองถ้าประพฤติได้หมดจดก็สมาทานประพฤติตุวันแต่ถ้าไม่หมดจดก็ให้เก็บวัดแล้วก็ออกไปกับพระภิกษุสี่ห้ารูปในตอนดุ๊กอรุณในสองเลตุบาทจากวัด จากรัวด้อมนะสองไดทุบาแล้วก็เป็นสมาทานก่อนลุงอรุณก่อสมาทานแล้วก็อนลุงอรุณเสร็จแล้วก็เกะก็ให้นับ ร, ราตรีอย่างนี้เมื่ออยู่พระพฤติมานัทเรียบร้อยแล้วหกวันขึ้นไปอยู่เผื่อสักสองวันสามวันก็ขออัภารขอพภารสามครั้งขออภารแล้วสมก็จะให้อภารโดยที่ที่สุพุชราู้สามารถก็ส่วนประกาศกับำออวจาม กายติครั้งหนึ่งอนุสาวนาสามครั้งแล้วก็สรุปตอนท้ายก็รสรุปว่าอภิโตสังเค น, น, น, นาอิทนาโมภิกขะมติสังขาสาตัตสมาตุนตีเอวะเมตังธารยามิสงพึงธรรมูลายปฏิการนาเท่านั้นแก่ีิสุผู้ต้องอันตราบักแล้วไม่ปกปิดแม้ในการาา เ, กเป็นผู้ควรมานัสถ้าเกิดเป็นผู้ควรมานัท แล้วก็ต้องอบัตเพิ่มแต่ว่าไม่ปกปิดเป็นอันตราบัตก็ให้บูลายะปฏิกานาเป็นผู้กําลังประพฤติมานัดก็ดีต้องอาบัตเพิ่มอันตราบัตก็ต้องทำบูลายะปฏิกานาและเป็นผู้ควรกับอาพาณ์อยู่มานัดเรียอร้อยแล้วเป็นผู้ควรกับอาพาณแต่ว่าต้องอาบัตเพิ่มในระหว่างเป็นอันตราบัตก็ต้องทำบูลายะปฏิการนาอีกเหมือนกันประบวนอันตราบัตเข้าหาอบัตเดิม แล้วก็ให้มาณัท ก, กระทําอัภารใจพิสุผู้ประพฤติมานัทแล้วตามในนี้นั่นแหลสําหรับในพิสุผู้ควรแก่มานัทเป็นต้นนี้พึงกล่าวในอาคตาสถานว่าโซหังปริวาสันโตหรือโซหังปริวุฒาปริวาโซมานัตตารโหหรือโสหังมาณัตตังจะรันโต หรือโสหังจินนัมานโตอัภานาระโหตามสมควรเถิดก็คือต้องแต่งกรรมวาจารให้ถูกเรื่องถ้ากำลังอยู่ปริวา่าอยู่แล้วก็ต้องอาบัตเพิ่มก็ต้องใช้คำว่าขณะที่อยู่ปริวาาอยู่นั้นได้กระทำอันตรบัตอีกตัวนึงหรือว่าอยู่ปริวา่าเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังเป็นผู้ที่ควรแก่มานตัตเรียกว่ามานตาระโห มานัทตาระหะก็ต้องแต่งกรรวาจาใหม่ถือว่าเมื่อกําลังประพฤติมานัทอยู่ก็เป็นมานัทตังจรันโตถ้าประพฤติมานัทเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ควรจะอภารก็เรียกว่าอภานาระหูก็ต้องแต่งกรรวาจาให้ถูกต้องแต่ถ้าพิษตุ ก, กําลังประพฤติมานัทเพื่ออาบัตที่ไม่ได้ปกปิดต้องอันตราบัดแล้วไม่ปกปิดพิษตุนั้นอันสองพึงชักทหาอาบัตเดิม แล้วให้มานัทเพื่ออันตราบัติอีกแล้วจึงอัภทานทิสุผู้ประพฤติมานัทแล้วอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือต้องอาบัตสำคัญที่เซแต่ว่าไม่ได้ปกปิดไว้เพราะฉะนั้นก็อยู่มานัทสําหรับอาบัติที่ไม่ได้ปกปิดไม่ต้องอยู่ปริวาาเพราะว่าไม่ได้ปกปิดไว้ระหว่างที่อยู่มานัทอาบัตที่ไม่ได้ปกปิดนั้นได้ต้องอาบัตตัวหนึง่งในระหว่าง อันตรบัตรนั้นแล้วก็ไม่ได้ปกปิดไปด้วยก็ต้องชัรเข้าหาอบัตรเดิมชักเข้าหาบัตรเดิมแล้วก็อยู่มานัดใหม่เมื่ออยู่มานัดใหม่แล้วทํามูลายาปฏิกรศสนาก่อนแล้วอยู่มานัดใหม่เมื่ออยู่มานัดใหม่แล้วถึงจะอภารเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่มานัดแล้วต้องอบบัตใหม่เพิ่มเป็นอันตรบัตรก็ต้องขอบูลยาปฏิกรศสนาก่อนสามครั้ง เมื่อขอบูระยะปฏิการนาเรียบร้อยแล้วสงก็ให้บูระยะปฏิการนาเพื่ออันตราบัตรที่ไม่ได้ปกปิดไว้แต่ว่าเป็นคนละกรณีที่แล้วกรณีที่แล้วก็อยู่ปริวาาเพื่ออบัตรที่ปกปิดไว้ปักหนึงแล้วก็ต้องอาบัตรใหม่ที่ไม่ได้ปกปิดไว้ก็ขอบูระยะปฏิการนาชักข่าวบัตรเติมต้องอยู่ปฏิว่าอีกปักหนึงเหมือนกันแล้วบอ ก, กรณีนี้ ต้องอาบัตแล้วไม่ได้ปกปิดก็อยู่มานัทเลยไม่ต้องอยู่ไปฏิว่าแต่ว่าต้องอาบัตใหม่เพิ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบูรัญาปฏิการนาเพื่ออาบัติที่ไม่ได้ปกปิดเป็นอันตราบัตเมื่อตสงให้ปฏิการนาชักเข้าวอาบัตเดิมแล้วเรียบร้อยต้องไปอยู่มานัทใหม่อยู่มานัทใหม่สงครั้งชักเข้าวาอาบัตเดิมอย่างนี้แล้วเมื่อจะให้มานัทเพิงให้เธอกล่าวคําขอ จะอยู่มานัทใหม่ก็ต้องขอใหม่อีกสามครั้งเมื่อขอแล้วส่งให้มานัทให้กับบวาจามานัทนะเมื่อให้กับมวาจารรมาณัทเนะ <ME> ร, รียบร้อยแล้วในเวลาจบกับบวาจากิานทั้งปวงมีการสมาทานมานัทอันที่กล่าวไปแล้วก็ามานัทตังสมาณิยามิวัตตังสมาณิยามิแล้วบอกมานัทเมื่อบอกมานัทแล้วให้ประพฤติมานัทไปจนกระทั่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วเกินหกราตรีแล้วก็อภานก็ต้องขออภานอีกสามครั้ง เมื่อขออภารเรียบร้อยแล้วสงก็จะให้กับบวาจารอภารด้วยส่ผู้ชราผู้สามารถก็ให้กับมวาจารอภานเมื่อให้อภารแล้วพึงทราบการให้บูรญัญปฏิกัสนาการให้มานัสและการให้อภานแก่ทิสุผู้ต้องอันตราบัติแม้ในการเป็นผู้ควรแก่อภารแล้วไม่ได้ปกปิดไว้ตามในดี้นั่นแหล แต่ในที่นี้ไม่สวดว่ามานะตังจรันโตอย่างเดียวเท่านั้นคนวรสวดว่าจินนะมานะโตก็คืออยู่มานะแล้วไม่ใช่กําลังประพฤติมานะอยู่ก็สวดว่าจินนะมานะโตอภานาระโหจึงถูกก็คือเมื่ออยู่มานะแล้วเป็นผู้ควรจะอพานขออภานก็เลยสวดให้อภานเรียบร้อยแล้วก็เป็นทิ่ตุบริทุดอันนี้เรียกว่าโอทาณสมุทานะปริวาติถา จบก็หมายถึงปริวาสที่มีการประมวลอาบัตระหว่างอาบัตเดิมที่ต้องแล้วแล้วอยู่ปริวาสหรือว่าอยู่มณฑ์แล้วก็มีอาบัตใหม่เพิ่มเรียกว่าอันตราบัตก็ต้องประมวลขอมูลายปฏิจจสนาก็คือชักขังอาบัตเดิมแล้วแล้วก็อยู่ปริวาสใหม่หรือว่าอยู่มณฑ์ใหม่แล้วจึงอภานอันนี้เรียกว่าโอทานะสมทานปริวาสจบ ต่อไปก็จะเป็นอักขะสมบทานเพระว่าสมบทานนี้เป็นเรื่องการประมวลกระบวนอบัดจะมีสามอย่างก็คือโอธานะสมุทานปริวาติปฏิวัตที่ประมวลลงในอบบัดเดิมก็คือต้องมีอันตราบัดในระหว่างนะครับประมวลลงในอบบัดเดิมส่วนอักขะสมุทานนี่ก็อับบัดหลายตัวแต่ว่ า, าตัวมากที่สุดตัวมากที่สุดอักขะก็คือสูงสุดแล้วก็จะมี ปริวาติอีอันหนึ่งสมุทธานปฏิวัตเรียกว่ามิสกะสมบทานก็คืออาบัตหลายๆตัวหลายๆประเทศเช่นสุกาวิสัตถ์ที่กายัสังขฆาตทุตถุลลาวาจาพวกนี้ก็เอามารวมกนนันแล้วก็อยู่ปริวาติไปตามจำนวนที่ปกปิดเอาไว้สูงสุดอันนี้สมุทธานปฏิวัตก็จะแยกเป็นสามโอทานะสโมโทธานแล้วก็อักคะสมุทรานแล้วก็มิสกะสมุทรทาน อามอาโนอักขาสมุทานที่ชื่อว่าอักขสมุทานก็คือบรรดาอาบัตหลายตัวอาบันเล่าใดจะเป็นหนึ่งตัวก็ดีสองตัวก็ดีสามตัวก็ดีมากตัวก็ดีที่ปิดไว้นานกว่าอาบัตทุกๆตัวสงกระบวนด้วยอาบัตตัวที่มากกว่าอาบัตเหล่านั้นให้บริว่าเพื่ออาบัตที่เหลือซึ่งปกปิดไว้หย่อนกว่าด้วยอำนาจกําหนดราตรีแห่งอาบัตเหล่านั้น ดิเรียกว่าอัคคะสโบทานก็คือกระบวนอบดัลสํำคัญพิเศษ ห, หลายตัวเอาตัวที่ปกปิดไว้นานที่สุดเป็นประมาณแล้วก็อยู่บริวารเท่าจํานวนที่ปกปิดไว้นานที่สุดนั่นแหละถามว่าก้อนอับดัลของพิสุดใด้ร้อยตัวต้องอบดัลสำคัญพิเษร้อยตัวปกปิดไว้สิบวันต้องอบดัลแม้อีกร้อยตัวแล้วก็ปกปิดไว้อีกสิวัน นับอย่างนี้รวมสิบครั้งจึงเป็นอาบัตหนึ่งพันตัวจะต้องอาบัตสังทายเศษฐหนึ่งพันตัวเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นยกมาเท่านั้นปกปิดไว้รวมทั้งหมดร้อยวันทิกตุนั้นจะพึงทําอย่างไรตอบว่าพึงประมวลอาบัตทั้งหมดอยู่ปริวัตทเพียงสิบวันเท่านั้นพันตัวเนี่ยอยู่ปริวัตแค่สิบวันก็พ้ได้แม้วันตั้งร้อยย่อมเป็นวันซึ่งทิกตุ ต้องอยู่ปริว่าจริงๆด้วยสิบวันหนเดียวเท่านั้นด้วยประการชนิดสมจริงดังที่กล่าวไว้ในคำภีปริวารวินัยบิดกว่าปริวาสิกะทิษุ ป, ปิดอบัตหนึ่งพันตัวไว้ร้อยราตรีอยู่ปริว่าสิบราตรีจึงพ้นได้ดีชื่อว่าอัคคะสมูทานลักษณะเหตุการณ์บอกวัดและการให้อัคคะสมูทานนั้นพึงทราบนำต่อไปนี้ ถ้าพิสจุ์บางรูปต้องอบัตตัวหนึ่งปิดไว้หนึ่งวันตัวหนึ่งปิดไว้สองวันอีกตัวหนึ่งปิดไว้สามวันอีกตัวหนึ่งปิดไว้สี่วันอีกตัวหนึ่งก็ห้าวันอีกตัวหนึ่งหกวันอีกตัวหนึ่งเจ็ดวันอีกตัวหนึ่งแปดวันอีกตัวหนึ่งเก้าวันอีกตัวหนึ่งปิดเอาไว้สิบวันต้องอบัตสิบตัวแต่ว่าปกปิดเอาไว้ตั้งแต่หนึ่งวันจนกทั้งถึงสิบวันพิสูจนั้นพึงเข้าไปหาสง์กระทำผ้าอุตตราสง์ฉวยบาแล้วก็ ขออคะสมุทานปริวาสขออย่างนี้ว่าอหังพันเตสัมบัณหุลาสังขาดเดเซซาอาปาติโยอาปาชิงสัมบัณหุลาอาปติโยเอกาหะปฏิชนนายโยแล้วก็ข้อความละี่ปกปิดไว้วันเดียวสองวันก็เป็นเป็นดาวีหักนวหัตหะปฏิชนนายโยจนกทั่งถึงสิบวันสัมบัหุลาอาปติโยดาซาหะปฏิชนนาโย โซหังพันเตสงังตาสังอาปาตินังยาอาปาติโยนาสาหาปะปฏิชนะโยตาสังอเคนาสมุทานาปริวาสังยาจามิขอครั้งที่สองขอครั้งที่สามก็คือบอกว่าต้องอาบัดสิบตัวปิดเอาไว้ตั้งแต่วันเดียวจนถึงสิบวันเนี่ยที่ถูกผู้ชนะผู้สามาถก็จะสวดประกาศให้สงสาบด้วยกับบาจา ให้อคัคขาสมัวทานปริวาสเนี่นะในเวลาที่จบกรรบวาจาจิตทั้งปวงมีการสมาทานวัดเป็นต้นก็มีในดังกล่าวแล้วแล้วก็เมาาื่อให้กับบวาจาปริวาสที่เป็นอักขสมัวทานปริวาสให้อยู่เป็นวาดสิบวันเพราะว่าปกปิดไว้มากที่สุดอบัดาณสิบตัวแต่ว่าปกปิดไว้ตั้งแต่หนึ่งวันจนกทั่งถึงสิบวันแต่ว่าอยู่เป็นวัดสิบวันทุานั้นเมื่อสมาทานวาดนัดเรียบร้อยแล้วก็บอกวัด เมื่อบอกวัดแล้วให้อยู่ปริวาสอาคารสมุทรทานปริวาสไปจนกทั่งครบสิบวันแต่อยู่สักสิบสองวันสิบามวันก็ได้เผือเอาไว้พออยู่ปริวาสครบสิบวันไปแล้วก็เรียกว่าเป็นมารัตตาหะผู้ควรแต่มารัตต้องขอมานัตสามครั้งก่สงก็ขอมานัตสาครั้งเมื่อขอแล้วสงก็จะให้มานัตสาหรับอาคารสมุทรทานปริวาสเมื่อส่วนกับบวจารให้มารัตแล้วในเวลาจบกบรกบรมวจาร เทั้งปวงมการสมาทานมานัเป็นต้นก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วมานัตตังสมานิยามิวัดตังสมาณิยามิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกมานัตเมื่อบอกมานัตเสร็จเรียบร้อยก็อยู่มานัตไปหกราตรีเกินมานัตก็ได้เมื่ออยู่มานัตครบหกราตรีแล้วก็เรียกว่าเป็นอภานารหหะผู้ควรจะอภานละขณะที่ประพฤติมานัตอยู่ก็เป็นมานัตตจาริกะผู้ประพฤติมานัต พอประพฤติหกวันเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าอภานาระหะควรแก่การที่จะอภานก็ต้องขออภากาสงสามครั้งเมื่อขออภากาสงสามครั้งแล้วสงก็จะให้อภานเรียกเข้าบูและทําให้บริตุล ท, ที่สูรพุชราชผู้สามารถก็สวดกับมบูมาราให้ประกาศยาติครั้งหนึ่งอนุสาวนาสามครั้งตอนสุดท้ายสรุปว่าอภิโตสั้งเทนาอิท น, นาโมภิกข u คามติสั้งขัสสะตัศสมาตุนทีเอวะเบตังทารยาบิก็แปลว่าอภารันสงให้แล้วแก่ทิกษุมีชื่อดีชอบแต่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้ามเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ก็เป็นอันุ่าภิกษุผู้นี้ผู้ที่ต้องอปัรหลายๆตัวแล้วก็ปกปิดไว้หลายๆวันก็ประมวลเอาวันที่ปกปิดไว้นานที่สุด แล้วก็อยู่ปฏิวัติไปจะอาบัตสักสิตัวร้อยตัวพันตัวก็หลุดได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับการแต่งกับบูช า, าที่สุผู้ที่เป็นวินัยทรก็ต้องฉลาดในการนีร้แต่งทําให้ทิกสุผููบริสุทธิ์ปลอดเปลื่องทำให้เธอเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ทรหรือว่าวิปัิสารต่อไปภายหลังเรียกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สามารถประพฤติอบรมใจศึกษาโดยทั้งสามารถบรรลุนักพรติพานได้ฌานนักพรได้เหมือกัน ก็จบอภะสบูทานปริวาสส่วนมิตกสก่าสบูทานมิกสก่าสบูทานนี้ก็แสดงย่อยอๆนะว่าชื่อว่ามิตกสก่าสบูทานได้แก่ปริวาสที่สงรวมเอาอาบัตตานวัตถุเข้าด้วยกันให้ก็คือให้ปริวาสสาหรับทิฏฐิที่ต้องอาบัตหลายวัตถุวัตถุต่างกันในมิตกสก่าสบูทานนี้มีในดังต่อไปนี้ เพงให้พิสูุนั้นขอสามครั้งก็คือต้อบัตหลายๆประเทศหลายๆวัตถุหลายๆข้อรวมกันก็ต้องมาขอสาครั้งนั่นก็แต่งตั้งบมอาจารย์เป็นตัวอย่างมาว่าอะฮัผันเตสัมบะลาสังหารีเซซาปติโยอาปะชิงเอแังสุกวิสัทถิงเอแกงกายาสังสกันเอกกงดุทุลลาวาจังเอกังอตตกามังเอแกงสั้นจริตัง เอกังกุติการังเอกังวิหะระการังเอกังดุธาโดสังเอกังอัญญะผาขียังเอกังสังขะเพดะกังเอกังสังขะเพดานุวตัตตะกัเอกังดุบะจังเอกังกุละดูสกังโซหํงผันเตตาสัอปตินามสมุทานาปริวาสัญยาจามีตัวเราต้องอับดับสังกัดได้เษสิบตัวเลย ก็มาขออย่างเนี้สามครั้งเมื่อขอแล้วสงก็ให้กรรบวาจาปริว่าโดยการประมวลอาบัติที่รวมกันผสมกันเรียกว่ามิสกาแล้วก็ให้ปริวาาแต่เธอแต่ว่าเมื่อไม่ได้ปกปิดเอาไว้ไม่ต้องอยู่ปริว่าถ้าปกปิดเอาไว้กี่วันกี่วันก็ต้องกล่าวแสดงการปกปิดไว้แล้วก็อยู่ปริว่าตามที่ได้ปกปิดไว้นั้น เพิงให้เป็นว่าด้วยกรรมวาาจารที่สมควรแก่คําขอแล้วต้องแต่งกรรมวาจาให้ถูกต้องก็ในมิตรกะสมุทานนี้สมควรแท้ที่จะทํากรรวาาจารประกอบด้วยอํานาจวัตถุบ้างด้วยอํานาจโคตบ้างด้วยอํานาจชื่อบ้างด้วยอํานาจอาบัติบ้างตามในที่กล่าวไว้แล้วในก่อนนั้นแลอย่างนี้ว่าสังคาดีเซซาอาปาติโยอาปาชิงนานาวัตถุกาโยดังนี้ก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อทั้งหมดก็ได้ หรือว่าสังขานีเทซาอาปาติโยอาปาชิงดังนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าจึงไม่แต่งกบรวจายแยกกันให้เมื่อกบวจาอาทันข้าพเจ้าแต่งกระทําให้ทั่วไปแก่อาบัตทั้งปวงในหัวหลังแม้เพราะการออกจากอาบัตต่างวัตถุกันในมิสกะสมุทรานนี้กบรวาจานั้นก็ใช้หน้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมิสกะสมุทรานบริวาทิกราก็จบ เรื่องของปริวัาิมาณอภารันอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดแล้วก็ต้องประพฤติให้ถูกต้องโดยเฉพาะพระวิเนทรทรที่จะมาทํากรรมให้จะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่มีความละเอียดละอ่อนในการจะแต่งกรบมวาจาแล้วก็ประพฤติแนะนาให้ผู้ที่อยู่ปริวาิมาณ น, นั้นประพฤติให้ถูกต้องก็จะออกโดยบรรจุบริบูรณ์ วันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านดึงหลายเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการที่จะรักษาพระวินยัยอันเป็นมัชชีมาปฏิปทาคนที่รักษาพระวินัยเคร่งครัดอันนี้ไม่ได้เรียกว่าตึงเกินไปนะเรียกว่ามัชชีมาปฏิปทาแต่ว่าถ้าใครไม่ประพฤติตามพระวินัยนั้นอันนั้นก็เรียกว่าย่อหย่อนได่ใช้มัชชีมาปฏิปทาว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติมัชชิมาปฏิปทาโดยที่มีศีลเป็นพื้นฐานอบรมจิตอันเป็นสมาธิ ้ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมันแล้วก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือรู้ว่าดีทุกข์ดีทุกข์กัสมุทัยดีทุกข์กันิโรดนิทุกข์กันิโรธาขาไม่ดีปฏิปทาก็สามารถที่จะตัสรู้อริยสัจ ส, สี่แล้วก็พ้นจากวัฏจทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้สาวกทั้งหลายนั้ น, น, นดําเนินแล้วก็พ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ตัดรู้อริยสัจสี่พ้นจากวัฏจทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุ